จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาความรู้ที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรความสุขที่พวกเราสามารถหากันได้มีอยู่สอง ชนิดด้วยกันคือความสุขทางกายและความสุขทางใจความสุขทางกายนี้เป็นความสุขที่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าร่างกายสิ้นสุดลงความสุขที่จะได้จากร่างกายก็หมดไป เรียกว่าเป็นความสุขแบบไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเป็นความสุขที่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือถึงจะสามารถมีความสุขได้ถ้าหากร่างกายเป็นอะไรไปเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการความสุขที่เราใช้ร่างกายก็ จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้หรือถ้าร่างกายตายไปความสุขต่างๆที่เราได้ผ่านทางร่างกายก็จะสิ้นสุดลงตามร่างกายไปแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหนาะความสุขอีกทางหนึ่งก็คือความสุขทางใจใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย เป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บความสุขเราสามารถหาจากทางใจนี่ได้ตลอดเวลาไม่ขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายว่าเป็นอย่างไรร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายใจความสุขทางใจก็ยัง สามารถเกิดขึ้นได้แล้วความสุขทางใจนี้ก็ไม่สิ้นสุดลงไปกับความสิ้นสุดของร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปความสุขที่เราหาทางใจนี้ก็จะอยู่กับเราต่อไปล้าจะไปกับใจในสภาพของดวงวิญญาณแล้วก็จะไปอยู่ในสุขคติ เออในสวรรค์ชั้นต่างๆจะไม่ต้องไปอยู่ในทุกขติหรือในอบายที่เป็นที่อยู่ของผู้กระทำบาปของผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจแต่หลังจากที่ใจได้มาร่างกายอใหม่ใจได้มาเกิดใหม่ใจที่มีความสุขก็จะเป็นใจที่มี คุณมีวาสนาบารมีจะมาเกิดได้ร่างกายที่สุขสมบูรณ์มีฐานะมั่นคงในการเงินการทองมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพแข็งแรงมีอาการครบสามสิบสอง มีอายุยืนยาวนานปราจากโรคภัยฟุกขามนี่คือความสุขทางใจผลของความสุขทางใจซึ่งต่างกับความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายพอร่างกายตายไปใจเอาอะไรไปไม่ได้เลยกับความสุขทางร่างกาย ร่างกายจะหาเงินหาทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ตามได้ยศได้ตําแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็ตามได้รับการสรรเสริญเยินยอด้วยรางวัลต่างๆเช่นรางวัลตกตาทองรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆความสุขเหล่านี้มันจะ ไม่ติดไปกับใจใจไม่สามารถเอาไปได้หรือความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเห็นเวลาเราหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงหาความสุขจากการดืม่มจากการรับประทานอาหารและเครื่องดืม่มต่างๆหรือหาความสุขจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราว ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เวลาร่างกายตายไปความสุขทางกายก็ไม่สามารถเอาไปได้ถ้าไม่มีความสุขทางใจไปใจก็จะไปแบบคนที่ไม่มีความสุขไปแบบคนที่ไม่มีเงนินไม่มีทองไม่มีทรัพย์เพราะบุญนี้แหละเป็นเหมือนทรัพย์สินที่ ใจสามารถเอาติดตัวไปได้ทรัพย์สินที่จะพาให้ใจไปอยู่ในรูปแบบของคนที่มีสตางค์อยู่กันในขณะที่เป็นดวงวิญญาณก็จะอยู่ในสวรรค์เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคัง่งจะร่ำรวยมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับ บุญที่ได้ทำเอาไว้ความสุขที่ได้สร้างเอาไว้ความสุขทางใจนี้เราเรียกว่าบุญความสุขทางกายนี้ก็คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้คือความสุขสองรูปแบบพระเจ้าทรงสอนให้เรามองให้ระยะไกลอย่ามองเพียงแค่ระยะใกลๆ้ๆคือในขณะที่ร่างกาย ยังมีชีวิตอยู่ให้เรามองไปไกลกว่านั้นเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจนี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจจะต้องไปต่อจะไปดีไปสุขกติหรือไปทุกขกติก็อยู่ที่การกระทํของของใจการสร้างความสุขของใจ ถ้าสร้างความสุขทางเจตของใจใจก็จะไปสู่สุขติแต่ถ้าไปสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นได้เพราะว่าเวลาที่เราหาความสุขทางร่างกายหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหารังวีรางวัลหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราไปหาโดยวิธีทำบาป เป็นหาเงินด้วยการช่อโกงลักทรัพย์หรือทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาทำบาเพื่อให้ได้ยศได้ตำแหน่งมาทำบาเพื่อให้ได้รางวีรางวัลมาคนที่โกงเวลาแข่งขันกีฬาอาจจะมีวิธีโกงใช้ยาเสริมที่ไม่มีใครรู้ทำให้มีกำลังมีความสามารถ มากขึ้นเป็นพิเศษทำให้สามารถได้ชนะได้รางวัลเหรียญทองพวกนี้ก็ถือว่าทำบาปชอบโกงหรือว่าเวลาที่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆบางทีก็ไปหาโดยวิธีที่ไม่ชอบใช้การกระทำ ที่ไม่ถูกถ้าทำแล้วก็ไปสร้างบาปให้กับใจสร้างความทุกข์ให้กับใจก็จะนำพาให้ใจไปสู่ทุกขติไปสู่อบายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแทนที่จะได้ไปสวรรค์ก็จะไปอยู่ในอบายแทนไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย ที่เรียกว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความโลภไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอาสูรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัวไปเป็นวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความอาคาตพยาบาทเรียกว่านรกถ้าทำบาปด้วยความอาคาตพยาบาทถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน อันนี้คือการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นลสถ้าเราไม่มีศีลธรรมไว้คอยป้องกันถ้าเราไม่คอยรักษาศีลเวลาเราทำมาหากินหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆที่เราอยากได้กันนี่บางทีหาโดยสดจุริตไม่ได้ก็จะทำให้เรา ไปทาโดยวิธีทุจริตทำผิดศีลสีส่ข้อนี้ไม่ฆ่าสัตว์ก็ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็ประพฤติผิดในการถ้าไม่ประพฤติผิดในการก็พูดปดพูดโกหกหลอกลวงการกระทาเหล่านี้การหาความสุขแบบนี้ได้ความสุขมาแบบไม่คุ้มกับความทุกข์ที่จะได้มาต่อไป ถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเราทำบาปนี่ใจเราจะไม่สบายใจใจเราจะมีความวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวว่าจะมีคนเขารู้ว่าเราทําไม่ดีกลัวว่าจะถูกเขาจับไปลงโทษแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราจะไม่รู้สึกความกลัวเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราจะอยู่เป็นปกติ แล้วถ้าเราทำความดีทำบุญเราก็จะได้มีความสุขอันันวิธีหาความสุขทางร่างกายกับหาความสุขทางใจนี้วิธีหาความสุขทางใจจะดีกว่าเพราะยั่งยืนกว่าเพราะว่าไม่มีโทษตามมาเพราะถ้าเราหาความสุขทางใจ วิธีหาความสุขทางใจนี้จะไม่ต้องใช้การกระทำบาปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะทำหาความสุขทางใจได้อย่างไรความสุขทางใจก็เกิดจากการทำบุญทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบ ถอนใจให้ฉลาดให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลักเราชอบที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นของชั่วคราวราบยศสรรเสริญสุขที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันให้ความสุขเราแบบไม่ยั่งยืนถาวร เวลาที่เราไม่ได้มันมาเวลาที่มันจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจนี่คือปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขทางโลกนี้เป็นทุกข์ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพัดชนิดต่างๆนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเราต้องพยายาม อย่าไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราต้องทามาหากินหาเงินหาทองก็หามาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราเพราะร่างกายเรานี้ต้องมีปัจจัยสี่คือต้องมีอาหารต้องมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคร่างกายถึงจะอยู่ได้ เพื่อให้เรามาหาความสุขทางใจกันอย่าใช้ร่างกายไปหาความสุขทางทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสให้มาหาความสุขทางใจที่พระเจ้าทรงสอนให้เรากระทํากันก็คือให้เราทําบุญทําทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนานี่เป็นการหาความสุขทางใจ ไม่ได้หาไม่ได้หาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเรามีความสุขทางใจ<ม>ต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไร<ม>เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถหาความสุขทางใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเช่นเวลาเราหาความสุขจากการทำใจให้สงบนั่งสมาธิ นี่เราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว เ, เอาร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วเราก็มาคอยควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบเพราะเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วจะเกิดความสุขทางใจขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการได้เงินทองไปร้อยล้านพันล้านดีกว่าความสุขที่ได้ยศได้ตำแหน่งชั้นต่างๆ ดีกวาความสุขที่ได้รางวัลเหรียญทองต่างๆและดีกับความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นไปเทีย่ยวไปดูไปฟังไปร่วมหลับนอนกับใครเป็นต้นถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีความสุขันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขทางใจ แล้วมันจะทำให้เรามุ่งมั่นต่อการที่เราจะหาความสุขทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเพราะเรารู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นของที่ไม่แน่นอนเราพึ่งมันไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลามันก็แข็งแรงสามารถไปหาเงินหาทองหาอะไรตามที่เราอยากได้ แต่บางเวลามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะพิกลพิการหรือว่าสิ่งที่เราต้องการมันก็หายากบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เช่นเงินทองบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้หาได้ยากหาได้น้อยเช่นช่วงนี้ทุกคนก็บ่นกันว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทุกอย่างซบเซา นี่นี่เป็นธรรมชาติของโลกกระทำของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นของที่ไม่แน่นอนบางครั้งก็หาง่ายบางครั้งก็หายากบางครั้งก็ไหลามาเทมาบางครั้งก็มีแต่ไหลไปไม่ไม่ไมหลามามีเจริญและมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเราอาศัยร่างกาย อาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราชีวิตของเรานี้ก็จะพบกับความไม่แน่นอนบางเวลาก็สุขเวลาที่ร่างกายแข็งแรงเวลาที่หาลาบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกยลิน่นรสนี้เป็นได้เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายแต่บางเวลาก็ไม่สามารถหาได้หาได้ยาก ร่างยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสก็หาได้ยากเครื่องมือคือร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยแข็งแรงมันก็จะทำให้มีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความทุกข์และอาจจะทุกข์ทางร่างกายด้วยถ้าไม่ถ้าไม่มีปัจจัยสี่พอที่จะมาดูแลร่างกายดนันการหาความสุขทางร่างกายนี้ ยังไม่ควรที่จะเป็นวิธีหาความสุขกันควรมาหาความสุขทางใจกันเริ่มต้นด้วยการทำบุญทำทานถ้าเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เริ่มต้นเราต้องมีเงินทองไว้เลี้ยงดูร่างกายเราก่อนเพราะถ้าร่างกายเราไม่ดูแลมันเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมันก็เป็นสร้างความทุกข์ให้กับเรา เราก็ต้องหาเงินหาทองมาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่ถ้าเราหาอะไรไม่ได้มากกว่าเงินที่เราจะต้องเอามาใช้เลี้ยงปากเลี้ยงทองอก็เอาไปทาบุญจะดีกว่าเก็บเอาไว้เฉยๆยกเว้นว่าเราต้องเก็บไว้สํารองบ้างเงินทองที่เราหามานี่ท่านสอนว่าควรจะแบ่งไว้เป็นสามส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ เอาไว้เลี้ยงดูร่างกายเอาไว้ใช้สําหรับปัจจัยสี่ส่วนที่สองก็เก็บสําปองไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อเราไม่สามารถหาเงินหาทองได้ก็มีเงินสําปองไว้มาใช้แล้วส่วนที่สามก็ส่วนนี้ก็ให้เอาไปทําบุญไปหาความสุขทางใจกันเพราะเวลาที่เราทําบุญเราเสียสละ ข้าวของเงินทองไปเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาดีกว่าเอาเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดืม่มความสุขต่างกันความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้อยู่กับใจไปต่อไม่เหมือนกับความสุขที่เราไปใช้ในการไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่าง มันได้ความสุขชั่วขณะที่ได้ใช้เงินช่วงนั้นท่านเองพอได้ไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปได้ใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็มีความสุขชื่อขณะที่ได้ซื้อของเหล่านั้นมาพอสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากของเหล่านั้นก็หายไปแล้วก็ทำให้เราเกิดมีความอยากที่จะต้องไปหาเพิ่มมาอยู่เรื่อย า็เป็นความสุขไม่อิ่มไม่พอเป็นความสุขที่เพิ่มความหิวเพิ่มความอยากให้กับเราเราไปเที่ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยากจะไปเที่ยวอีกหรืออาทิตย์หน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีกเพราะเวลาที่เราไม่ได้เที่ยวนี้เรารู้สึกเราขาดความสุขไปเป็นเหมือนคล้ายๆยาเสพติดถ้าเราเสพยาเสพติดแล้วเวลาเสพยาเสพติดนี้มันจะรู้สึกมีความสุข แต่พอเวลาผ่านไปวธิของยาหมดไปความสุขที่ได้จากยาเสพติดก็หายไปทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องต้องมีความสุขอีกเราก็ต้องไปหายาเสพติดมาเสพอีกแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถไปหายาเสพติดมาเสพได้เราก็จะรู้สึกทรมานใจหงุดหงิดลาคาญใจไม่มีความสุข ฉันได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถก็เป็นลักษณะเดียวกันเวลาได้เศษมันเราก็มีความสุขได้ไปเที่ยวก็มีความสุขได้ซื้อของฟุ่มเฟือยก็มีความสุขแต่ความสุขชั่วคราวเพราะวันข้างหน้าไม่กี่วันต่อมาความสุขที่ได้มันหายไปมันจางไปมันก็ทำให้เราอยากจะหาความสุขแบบนี้อีกเราก็ต้องไปหาอีก ถ้าเรายังมีเงินก็ไปได้ยังไปหาได้อยู่แต่ถ้าเงินทองไม่พอใช้เมื่อไหร่ <c oughs> ตอนนั้นเราก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้ต่อไป <c oughs> ต่างกับความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานเนี่ยเวลาทำบุญแล้วเราใจจะมีความสุขมีความอิ่มใจแต่ความสุขความอิ่มใจนี้จะฝังอยู่ในใจของเราต่อไปมันจะทำให้เราไม่ค่อยหิว วันไหนที่เราไม่ได้ทําบุญทําทานเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน mm hmm. เพราะว่าความสุขที่เราได้จากการทําบุญคราวที่แล้วยังฝังอยู่ในใจเราอยู่ทําให้ใจเราไม่ค่อยหิวโหวยกับความสุขทางร่างกายเท่าไหร่ mm hmm. แล้วมันมีคุณค่าเพราะว่ามันจะไปกับใจของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไป mm hmm. ความสุขที่เราได้จากการทําบุญทําทานนี้เราเรียกว่าบุญนะ บุญนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะพาให้เราไปสวรรค์ให้ดวงวิญญาณเราไปอยู่ในสวรรค์แล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่บุญก็จะพาให้เรามาเกิดดี mm. เกิดมีฐานะที่ดีมีความสุขอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเรื่องการทําบุญทําทานเบื้องต้นเป็นขั้นแรกของการทําความสุขขั้นที่สองของการทําความสุขก็คือให้เรารักษาศีลอย่าทําบาป ถ้าเรารักษาศีลได้ใจเราก็จะมีความสุขเป็นมีปกติสุขจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับการกระทําบาปต่างๆถ้าเราไม่รักษาศีลเราทําบาปใจเราจะวุ่นวายอยู่เรื่อยๆจะวิตกมีกังวลถ้าดีไม่ดีไม่ช้าก็เร็วก็ จ, จะถูกจับไปลงโทษได้ไปติดคุกติดตารางขึ้นมาก็ได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ และเวลาตายไปแบาบปที่เราทำนี้ก็จะพาให้เราไปติดคุกในอบายไปอยู่ในนรกอยู่เป็นเปรตบ้างอยู่เป็นนสุลกายบ้างและเวลากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาเกิดแบบอาภัพวาสนาเกิดแบบยากจนแล่นแค้นเกิดแบบร่างกายที่ไม่สวยไม่งามสุขภาพไม่แข็งแรงอาการไม่ครบ32สองเป็นต้นอันนี้คือประโยชน์ของการรักษาศีล เรารักษาสีเราจะมีความรู้สึกสบายใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายไม่ได้สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใจของเราแล้วก็ขั้นที่สามก็คือให้เรามาทำสมาธิเรียกว่ามาภาวนาภาวนาก็คือทำใจให้สงบสองขั้นด้วยกันขั้นแรกทำใจให้สงบด้วยการควบคุมความคิดให้หยุดความคิด ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจเรานิ่งใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทาน mm hmm. เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีล น, mm hmm. นี่คือความสุขขั้นแรกเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสงบแบบชั่วคราวเพราะว่าเวลาเข้าสมาธิจิตก็จะสงบเกิดความสุขแต่เราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลา พอเราออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็ค่อยๆจางหายไปถ้าเราอยากจะรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาเรียกวิปัสสนาภาวนารักษาความสงบของใจด้วยปัญญาพอใจสงบจากสมาธิแล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาใจเริ่มวุ่นวายขึ้นมาวุ่นวายเพราะ อะไรก็วุ่นวายเพราะกิเลสตัณหานี่ความโลภความอยากต่างๆพอใจเกิดความโลภเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมามันจะอยู่ไม่เฉยแล้วมันจะไม่สงบแล้วอยู่นิ่งไม่ได้มันก็จะต้องดิ้นไปหาสิ่งที่มันอยากได้แล้วก็ต้องไปเจอกับความทุกข์กับสิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งที่ได้มามันเป็นของชั่วกราวมันไม่เที่ยงใหม่ๆเวลาได้มาก็ให้ความสุข แต่อยู่ไปอยู่ไปสิ่งที่ได้ให้ได้มามันก็กลายเป็นกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนไปถ้าเราสอนใจเวลาที่เกิดความอยากว่าอยากไปหาความอยากจากอะไรเพราะสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสุขทางโลกเป็นความสุขแบบชั่วคราว เวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็จะเสียใจหรือสิ่งที่ได้มาเวลามันเปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นของไม่ดีไปมันก็ทำให้เราทุกข์ใจได้อันนี้คือการใช้ปัญญาสกัดความอยากที่มาสร้างม า, มาทำลายความสงบที่เราได้จากการเข้าสมาธิพอเรามีปัญญาเราก็จะสามารถกาจัดความอยากต่างๆตัวที่จะมาสร้างความ ทุกความวุ่นวายใจให้กับใจได้ใจก็จะสงบเหมือนกับเข้าไปในสมาธิรักษาความสงบของสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาให้อยู่ต่อไปด้วยปัญญาปัญญาก็คือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นไม่ใช่เป็นสุขม็เป็นความทุกข์เพียงแต่ว่ามันเป็นสุขเบื้องต้นแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นความทุกข์ตามมา อย่าไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดวันดีคืนดีมันก็เปลี่ยนไปหมดไปเช่นราบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราพิจารณาด้วยปัญญาแนละ้วเราก็จะปล่อยวางเราก็หยุดความอยากได้อยู่แบบอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่า อยู่แบบเหมือนตอนที่เราเข้าสมาธิอยู่แบบทำใจให้นิ่งๆอยู่แบบไม่มีความอยากเท่านั้นเองเพอไม่มีความอยากมารบกวนใจแล้วใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วก็จะเป็นความความสงบที่ยั่งยืนถาวรเพราะว่าเหตุที่มาทำให้ความสงบไม่ยั่งยืนถาวรก็คือความอยากได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาถ้าใช้สติใช้สมาธิมันก็เพียงกดเอาไว้ พอสมศอสติหรืสมาธิหมดกําลังความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าใช้ปัญญาเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะไม่อยากอีกต่อไปนี่ก็คือสามขั้นตอนวิธีของการหาความสุขทางใจที่เราสามารถถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ภาวนาได้ รักษาศีลได้ถ้าทำบุญทำทานถ้าเรามีเงินมีทองก็สั่งให้คนอื่นเอาเงินทองเราไปทำให้กับเราก็ได้เราไม่ต้องอาศัยร่างกายเหมือนกับการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละคือวิธีการหาความสุขที่ถูกต้องวิธีที่หาความสุขแบบยั่งยืนถาวรเพราะถ้าเราได้ความสุขในระดับปัญญาแล้ว เราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเหตุที่เรายังกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาหาความสุขทางโลกกันอยู่ก็เพราะเรายังหลงเรายังมองไม่เห็นว่าความสุขทางโลกนี้เป็นทุกข์กันเราจึงอยากอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลสอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายกับร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ เราเกิดมาแล้วก็มาหาความสุขแบบนี้ต่อไปอีกอีกรอบหนึ่งเราหาความสุขแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านรอบนะแล้วจะหาต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราหาความสุขทางธรรมหาความสุขจากการทําทานรักษาศีลภาวนาแล้วเราก็จะยุติการกลับมาเวียนว่าตายเกิดได้เพราะเราจะได้กําจัดตัวที่มาให้เรามาเกิดแล้วเราก็สร้างความสุขแบบยั่งยืนถาวร จึงทำให้เราไม่ต้องมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้อีกต่อไปนี่ก็คือธรรมะที่เอามาสแสดงเอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอดีสมควรแก่เวลาก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้เพราะในระดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมมาสร้างความสุขทางใจมาสร้างความสุขจากการทําใจให้สงบที่เรียกว่าสมาธิ <c oughs> ถ้าเราทําใจให้นิ่งให้สงบเราเรียกว่าสมาธิ การที่ใจจะนิ่งจะสงบเป็นสมาธิได้เราต้องมีสติสติเป็นเหมือนผู้คอยกํากับคอยควบคุมความคิดให้หยุดความคิดถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้ใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่เป็นสมาธิถ้าเราอยากจะให้ใจนิ่งใจสงบเราต้องหยุดความคิดและสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แล้วเลิกรู้อยู่กับพุทธโธนี่เราเรียกว่าพุทธานุสติคือเราเลิกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้าหรือถ้าเราลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเราก็เรียกว่าอาณาปานาสติคือการที่จะทําให้ใจหยุดคิดได้เราต้องผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเหมือนกับเรือการที่เราจะให้เรือนิ่งไม่ไหลไปตามกระแสะนะ้เราต้องผูกเรือไว้กับท่าเรือถ้าเราไม่ผูกเรือไว้กับท่าเรือ กระแสน้ำมันก็จะดึงให้นะให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำถ้าเราเวลาจอดเรือเรามักจะมีเชือกผูกเรือไว้กับท่าเรือเรือจะได้ไม่ลอยไปกับกระแสน้ําใจเราก็เหมือนกันถ้ามีสติผูกใจไว้กับกรรมฐานใด้กรรมฐานหนึ่งจะเป็นพุทธานุสติก็ได้อานาปนาสติก็ได้พอมีกรรมฐานผูกใจผูก ด้วยสติให้อยู่กับกรรมฐานใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่ในเบื้องต้นเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆมันยังจะไม่หยุดคิดทันทีก็อย่าไปสนใจให้เราผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราใช้พุโทโธแล้วก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปช้าหรือเร็วก็ได้ให้ให้มีพุโทโธอยู่ในใจให้เรามีสติรู้อยู่กับพุโทโธ เวมัจะมีความคิดเข้ามาแทรกเราก็อย่าไปคิดตามมันอย่าไปเหมือนกับคนมาชวนเราพูดมาคุยเราก็อย่าไปตอบโต้เราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปหรือถ้าเราดูลมหายใจเข้าออ ก, ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าสติเรายังมีไม่กำลังมากพอที่จะอยู่กับพุโทโธได้หลื อ, อยู่กับลมหายใจได้ยังคิดฟุ้งซ่านอยู่เราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดมนต์บทที่เราจำได้สวดไปเรื่อยๆจะสวดชาสวดเร็วก็แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเป็นประโยชน์กว่าเป้าหมายก็คือให้มีอะไรผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าเรามีสติผูกใจไว้กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใจก็ต่อไปก็จะไม่ดิ้นใจก็จะไม่คิด พอใจหยุดคิดใจก็จะสงบรวมตัวเป็นหนึ่งขึ้นมาสักแต่ว่ารู้ความคิดหายไปเหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวตามลำพังตอนนั้นใจก็จะมีความสุขล้วก็จะไม่ต้องการจะได้อะไรในขณะนั้นได้อยากจะได้ให้มันสุขไปนานๆให้มันสงบไปนานๆวิธีที่จะทำให้มันสงบไปนานๆก็ให้มีสติคอยเฝ้าดูว่าใจคิดอะไรหรือเปล่า ถ้าใจคิดก็ต้องหยุดมันทันทีถ้ามันไม่หยุดแล้วก็ต้องใช้กลับมาใช้พุโทโธหรือกลับมาใช้ลมใหม่ต่อไปนี่คือหลักการง่ายๆของการนั่งสมาธิให้มีสติอยู่กับกรรมาฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้เป็นอารมณ์เดียวใจจะได้เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งเข้าใจจะสงบเนี้เยเงียนสบายถ้ามีอะไรเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ มีภาพมีเสียงมีอะไรมาให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปถ้าอยู่กับดูลมก็อยู่กับลมไปถ้าพูดโธก็อยู่กับพูดโธไปถ้าไม่อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุดโธใจจะไม่มีวันนิ่งไม่มีวันสงบได้แล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณยี่สิบกว่านาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าก็ใช้วิธีเดิมใจก็จะสงบได้เหมือนวันนี้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากสงบมันจะไม่ทาให้ใจสงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้อง ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายัางมีน้อยคนหมั่นเจริญสติในระหว่างวันไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเวลาหลับเราสามารถฝึกสติได้ท่องพุทโธไปภายในใจได้หรือเฝ้าสังเกตดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ถ้าทําอย่างนี้เราต่อไปคราวหน้าเวลานั่งสมาธิก็จะมีสติมากขึ้นจะนั่งสงบได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้น อาตาเป็บบนี้จะขออนุมูธนาให้พรขยะทาวาริวหาปุราปริกปุรนติสาขลังเอวเมวะอิโตถินางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏดทิตังตุมหังคิปเมวาสมิชชตุสับเพปุเรนตูสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพโรโควินัสโตมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิตะนิจังวุฒาปจายโน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 ถ้ามาช่วงหลังหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดกวกจะไม่ได้คำตอบนะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโต284 y ้อ t แปดสิบสพระสุชาติไลฟ์2องร้อยหกสิบยูทูบด็อกตวีแชนนลสี่สิบห้า วิทยุออนไลน์8คลับเฮาส์7ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิ133คนรวมทั้งหมด737้ครับวันนี้มีคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิสองคำถามครับคำถามแรกคุณแม่เป็นคนรักพี่สาวมากๆพี่สาวเป็นคนโสดคุณแม่จึงใส่ใจดูแลมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆ แต่เนื่องจากพี่สาวเป็นคนที่มีโทสะและโมหะค่อนข้างมากทำให้ชอบนำเรื่องทุกข์ต่างๆมาบระบายให้คุณแม่ฟังด้วยความที่แม่รักพี่สาวจึงไม่กล้าปฏิเสธที่จะรับฟังผลกระทบที่ตามมาคือคุณแม่มีอาการเครียดและมีโรคภัยต่างๆตามมาในฐานะที่เป็นลูกจะมีคำแนะนำคุณแม่อย่างไรดีเพื่อให้พ้นทุกข์และมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ ก็อยู่ท <baş demographics> ี่ว่าคุณแม่อยากจะปรึกษากับเราหรือไม่ถ้าคุณแม่ไม่ได้ปรึกษาก็อย่าไปยุ่งกับท่านจะดีกว่าเพราะว่าท่านอาจจะมีเหตุผลของท่านที่ท่านจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปยุ่งอาจจะเกิดไปอาจจะไปทำให้เรื่องมันวุ่นวายมากขึ้นกว่านี้ก็ได้งั้นต้องรอดูว่าท่านต้องการปรึกษากับเราหรือไม่ถ้าท่านไม่พูดไม่ถามไม่ปรึกษาเราก็อยู่เฉยๆไป หรือว่าปล่อยให้เป็นกรรมของท่านไปคำถามต่อเนื่องครับพี่สาวเป็นคนมีอัตราค่อนข้างสูงและติดโซเชียลมีเดียมากๆใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังคิดว่าความคิดของตัวเองถูกที่สุดจะมีธรรมะข้อไหนช่วยแนะนำพี่สาวให้ลดอัดตราลงได้บ้างครับธรรมะท่านสอนให้เราลดอัดตราของเราก่อนคือเราอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะ มีอัตตาหรอไม่มีอัตตามันเป็นเรื่องของเขาถ้าเราไปยุ่งกับเขานี่แสดงว่าเราเอาอัตตาของเราไปยุ่งกับเขาแล้วเฮ้ยเราหยุดอัตตาของเราก่อนปล่อยวางให้ได้ก่อนแล้วถ้าเขาไม่อยากจะมาปรึกษากับเราแล้วเราค่อยบอกเขาดีจะดีกว่าคำถามต่อไปจากทาง Facebook, YouTube คุณปุณณะภาบางครั้ง ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงเลยแต่ปากก็คุยไปกับคนรอบข้างพูดให้ร้ายตัวเองทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจควรคควบคุมอย่างไรครับขอความเมตตาครับว่าต้องฝึกสติให้มีมากขึ้นให้รู้ก่อนว่าเราจะพูดอะไรถ้าเราไม่มีสติพอมันคิดอะไรก็ปล่อยให้มันไหลออกมาเล ย, ยงั้นพยายามหัดฝึกสติหัดท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก่อน คุณโทนนี้ก็จะช่วยหยุดความคิดของเราได้ชะลอความคิดของเราได้และจะทําทให้เรามีเวลาได้ตึกตรองก่อนว่าเราควรจะพูดหรือไม่ควรพูดอย่างไรคําถามต่อไปจากคุณนภาภัยมีสองคำถามครับคําถามแรกการที่เราพิจารณาสอนจิตด่าตัวเองต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายอันนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับคือ เป้าหมายก็คือกําจัดกิเลสหยุดกิเลสงั้นจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ว่าเราหยุดกิเลสก็แล้วกันเวลาโลภ ก, ก็หยุดมันให้อย่าให้มันโลภเวลาโกรธก็หยุดให้มันอย่าให้มันโกรธจะใช้จะด่ามันก็ได้จะว่าอะไรก็ได้ขอให้มันหยุดได้ก็แล้วกันคําถามที่สองการที่เราต้องเพ่งทำกสิณเราทําไปเพื่ออะไรเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นหรือไม่อย่างไรครับ เพื่อควบคุมความคิดให้หยุดความคิดสร้างกำลังของสติให้มีมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้สามารถควบคุมจิตใจของเราได้ให้ตั้งอยู่ในความสงบได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามตั้งแต่ที่สนใจฝึกในทางธรรมฝึกจิตใจทำไมรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆน้อยลง ปกติจะมีอารมณ์ร่วมในเหตุต่างๆรู้สึกแรงอินไปกับมันตอนนี้รู้ว่าใครทำอย่างไรแต่ทำไมเราไม่อินกับมันแล้วเราเย็นชาขึ้นหรือครับแบบนี้ดีหรือไม่ครับคือเราดึงใจให้ออกจากเรื่องราวต่างๆไม่ไปเกี่ยวข้องเวลาเราฝึกสตินี่เราดึงใจให้เข้าข้างในไม่ให้ออกข้างนอกงั้นปฏิกิริยาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปเป็นเรื่องปกติของผู้ปฏิบัติ คำถามต่อไปจากคุณส้มหนูขอวิธีการวางใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนมาขอความช่วยเหลือบอกว่าป่วยไม่สบายมาขอยาเพื่อรักษาตัวเองแต่สุดท้ายหนูก็ทราบมากว่าเขาโกหกเอาอยานั้นไปให้กับคนที่เคยมาทำร้ายหนูหนูกราบหลวงพ่อให้คาสอนว่าจะวางใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับวางใจได้สองรูปแบบ ก็คือหยุดหยุดให้ความช่วยเหลือเพราะว่าเราต้องการจะช่วยเหลือเขาเราไม่ต้องการช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง mm hmm. ถ้าก็ไปช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง mm hmm. ก็มันก็ไม่ได้เป็นไปตามจุดประสงค์ของเขา mm hmm. ของเขาที่มาขอยาเรา mm hmm. ก็เหมือนเราถูกเขาหลอก mm hmm. เราก็สามารถปฏิเสธไม่ให้ส่งเสริมการหลอกของเขาได้หรือ mm hmm. ถ้าเราจะมองอีกแง่นึงว่าเขาก็มีเจตนาดี เขาอยากจะช่วยคนอีกคนหนึ่งที่เราไม่อยากจะช่วยแล้วเขามีทางที่จะขอยาจากเราได้เขาก็ขอยาจากเราไปถ้าเราคิดว่าเป็นการทาบุญทำทานก็ให้เขาไปทำได้ทั้งสองอย่างทั้งวิธีคำถามต่อไปจากคุณอาการใช้ปัญญาดับสัญญาจําได้หมายรู้คือการใช้ปัญญายานจากการเจริญสติแล้ววิปัสสนา เพื่อเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ของสรรพสิ่งทำให้ไม่ยึดมั่นในความจําได้หมายรู้เหล่านั้นอีกต่อไปถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกเราไม่สามารถที่จะไปทำลายสัญญาได้ <c oughs> สัญญาเป็นส่วนประกอบของจิตใจที่ไม่มีวันตายไม่มีวนันที่ใครจะไปทำลายมันได้เพียง <c oughs> แต่เรามาสอนใจให้เปลี่ยนสัญญาจากการเห็นสิ่งที่เป็นสุขให้เห็นว่าเป็นทุกข์ จากการเห็นว่าสิ่งที่เป็นเที่ยงเป็นของไม่เที่ยงจากการเห็นสิ่งที่เป็นเราของเราเป็นของไม่ใช่ของเราเป็นต้นคือเป็นการศึกษาสอนใจให้เปลี่ยนสัญญาใหม่คำถามต่อไปจากคุณทินกรขอท่านพระอาจารย์เมตตาแนะนำการปฏิบัติ สมถะอย่างไรและจะเข้าถึงวิปัสนาด้วยการหลุดพ้นได้อย่างไรครับก็สมถะก็คือการทําสมาธิ <c oughs> ต้องมีสติให้เราลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเช่นพุทธโธพุทธโธหรือลมหายใจเข้าออกเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาก่อนเมื่อใจเป็นสมาธิใจจะมีกําลังที่จะสู้กับความอยากสู้กับกิเลสตัณหาได้ก็ไป ขั้นที่สองไปศึกษาว่ากิเลสดอกเราให้เราไปหาความทุกข์สิ่งที่กิเลสต้องการเช่นรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสารเนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปก็จะทำให้เราทุกข์ได้ก็สอนใจว่าอย่าไปหลงคนตามความอยากทุกครั้งที่อยากได้สิ่งต่างๆต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข พอเราเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ต่อไปนี่คือวิปัสสนาเพื่อดับความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจความทุกข์เกิดจากความอยากที่หลอกให้เราไปหาความทุกข์นั่นเองคําถามต่อไปจากคุณอนุมาทําอย่างไรเราถึงจะมักน้อยและสันโดษได้อย่างแท้จริงครับอืมไปบวชเป็นพระป่าด้วย อยู่ที่กันดานที่ไม่มีอะไรมากมายรือตามป่าตามเขาคำถามต่อไปจากคุณจรัญญาเวลาที่กิเลสมาเช่นความโกรธกำลังจะเกิดขึ้นเราจะดึงสติไม่ให้โกรธขึ้นได้อย่างไงครับถ้าเราใช้พุทธโธได้ก็ใช้พุทธโธพุทธโธไปอันเดียวความโกรธมันก็จะหยุดได้คำถามต่อไปจากคุณเก๋ เคยอธิษฐานกับครูบาอาจารย์ว่าจะนั่งภาวนาวันละหนาทีแต่ทําไม่ได้แต่ชอบฟังธรรมวันละเป็นชั่วโมงฝึกสติแบบนี้เป็นบาปไหมครับต้องอธิษฐานขอขามาไหมครับก็เราอย่าไปตั้งอธิษฐานอย่าไปสัญญากับครูบาอาจารย์เลิกสัญญาถ้าบอกทําทไม่ได้ทําเท่าที่เราทําได้ก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไปตั้งสัจจะไปตั้งสัญญาไว้ ถ้าเราไม่ทําตามก็เท่ากับเป็นการโกโหกหลอกลวงก็จะเป็นบาปคําถามต่อไปจากคุณรสตะนันตื่นเช้ามานั่งสมาธิไม่สงบครับเพราะง่วงเลยปรับมาเดินจงกรมสามารถเดินได้และรู้สึกสงบดีครับแต่หลังจากสงบแล้วก็ไปนั่งสมาธิยังไงก็ไม่สงบรู้สึกง่วงเหมือนเดิมครับ แบบนี้ผมควรจะเดินจงกรมอย่างเดียวหรือสลับนั่งแล้วคอยสังเกตในแต่ละครั้งครับ ก, ก็ได้ทั้งสองอย่างจะเดินอย่างเดียวก็ได้แต่เดินนี่มันจะไม่สงบเท่ากับการนั่งถ้าอยากจะให้มันสงบมากกว่าการเดินเราก็ต้องสลับมานั่งแล้วคอยสังเกตดู ว, ว่านั่งแล้วสงบไหมถ้ายังไม่สงบก็ต้องกลับไปเดินใหม่ก่อนคาถามต่อไปจากคุณหอพักแสงเดือน ทำไมเรามีความทุกข์ทางใจเมื่อเวลาเราทราบจากคนอื่นว่ามีคนนินทาเราในทางที่ไม่ดีทั้งที่ไม่เป็นความจริงครับเราควรทำอย่างไรไม่ให้ใจเป็นทุกข์ครับความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากในกรณีนี้เราอยากให้คนเขาไม่ตำหนิเราไม่นินทาเราอยากให้เขาชมเราพอเขาตำหนิเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาวิธีก็เปลี่ยนความอยากของเราหยุดความอยากของเรา อย่าไปยากให้เขาชมอย่าไปยากให้เขาไม่อย่าไปยากให้เขาไม่นินทาเราปล่อยให้เขาทำตามเรื่องของเขาเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้และห้ามเขาไม่ได้มองเขาเป็นเหมือนกับดินฟ้ากายเราไม่สามารถสั่งให้ฝนตกแดดออกได้เราก็ไม่สามารถสั่งให้คนพูดดีหรือพูดไม่ดีกับเราได้ยิ่งถ้าเราทาใจยอมรับกับสิ่งตา่างๆโดยที่เราไม่มีความอยากไปเกี่ยวข้องด้วย ใจเราก็จะไม่ทุกข์เขาจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะชมเราก็ปล่อยเขาชมไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ไปยาถ้าเราไม่ไปยาให้เขาชมแล้วเขาไม่ชมเราเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปยาให้เขาไม่ด่าเราพอเขาด่าเราเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากใจเกิดจากความอยากของเราคำถามต่อไปจากคุณนัทธพัฒนกราบเรียน ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับเราจะมีวิธีหาสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมกับจริตตนเองในระยะยาวได้อย่างไรบ้างคะขอความเมตตาครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปตามวัดป่าวัดเขา ว, วัดปฏิบัติธรรมก็ต้องไปทดลองอยู่ดูไปแต่ละวัดดูว่าวัดไหนถูกกับจริตของเรา<ม>ครูเหมือนพ่อมันมีหลายหลายเงื่อนไขด้วยกัน ครบาอาจารย์เอ่ยสถานที่เอ่ยอาหารการกินเอ่ยมันมีหลายหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวัดเราก็ต้องไปทดลองดูตามวัดต่างๆเวลาเราไปวัดปฏิบัติวัดแรกเราก็ถามคนที่ปฏิบัติ ด, ด้วยดกันได้เพราะส่วนใหญ่คนอื่นเขาจะรู้หลายหลายวัดด้วยกันว่านอกจากวัดนี้แล้วมีวัดไหนอีกเราก็ค่อยๆค้นคว้าหาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพบกับวัดที่เราถูกกับเรา ถามหมดกันนะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได้นะช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่บ้างเข้ามกว่าจ เ, เห็นหน้าหลวงพอค่ไม่ต้องเห็นก็ได้เนี่ะ You don't have to see me เ, เดี๋ยวเข้ามาเข้ามาตรงนี้ดีกว่า พูดผ่านมไมล์ดีกว่าจะได้ได้ยินได้ฟังกันเห็นตอนนี้ทาง น, น, น, นี้พูดใกล้ๆปากเลยที่พระอาจารย์บอกว่าความสุขสงบในจิตใจมันจะเกิดจากการที่เรานั่งสมาธิแล้วความสุขสงบในจิตใจนี่มันมีลักษณะยังไงหรือรู้สึกอย่างไรคะค่ะเบ้าอกเบาใจ ส, สงบเย็นใจอิ่มใจเพิ่มปิติมันจะเป็นความสุขที่ ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วระหว่างที่เราพบความสุขสงบในจิตใจไอ้พวกปัญหาต่างๆหรือความคิดโ น, นนี้นั่นต่างๆมันจะยังมีอยู่ไหมคะหรือวา่ามันหายไปช่วงขัะนตอนหายไปช่วงขาวไม่หายไปทาวร่อ น, นพอเรากลับมาคิดใหม่มันความคิดมันก็จะไปคิดเรื่องเดิมอีกถึงต้องใช้ปัญญาขั้นต่อไปสอนปัญญาอย่าไปคิดแบบนั้นให้คิดปล่อยวางอย่าไปคิดตามความอยากอือค่ะขอบคุณค่ะอืต้องใช้ปัญญามันถึงจะหายไปอย่างทาวอ ใช้สมาธินี้เป็นเพียงแต่กดมันไว้ชั่วคราวหยุดมันไว้ชั่วคราวไม่ให้มันคิดเท่านั้นเอง mm hmm. พอมไม่คิดปัญหาที่เกิดจากความคิดต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวพอจากสมาธิมาพอเริ่มคิดใหม่ก็ไปคิดถึงปัญหาเก่าความทุกข์ก็กลับมาใหม่ mm hmm. ต้องคิดแบบใหม่คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วมันก็จะหายจากความทุกข์ไดข้ขอบพระคุณค่ะ คำถามต่อไปจาก facebook youtube คุณปรึกษากรรมอะไรที่ทําให้เราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายครับความอยากหาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนถ้าเราอยากมีความสงบเราก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครไปอยู่คนเดียวไปเปรกมิเวกแต่ถ้าอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคน คำถามต่อไปจากคุณทินกรขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายหากจะเข้าถึงวิมุตต์ต้องเข้าสู่ฌานสิบหกหรือรูปฌานอรูปฌานไหมครับหรือแค่อนาปนสติสิบหกขั้นก็เพียงพอครับคือต้องเข้าสู่รูปฌานสี่แล้วห ล, ห, ลหลังจากนั้นก็ต้องออกมาทางปัญญาต่อต้องพิจารณาตายลักษณ์วิโยมมาอยากจะถามคำถามจะสมมาด้วยไหม แบบนามัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากจะรู้เรื่องของสักแต่ว่ารู้อะค่ะอยู่เวลาอยู่ในสมาธิเนี่ยมันก็พอความคิดโผล่ามามันก็ผ่านไปผ่านไปแต่ว่าเวลาอยู่นอกสมาธิอะค่ะสักแต่ว่ารู้มันยากนิดนึงเพราะว่าสติมันตามไม่ทันก็ต้อาจารย์ช่วยเมตตาก็ต้องทำบ่อยๆทำให้มากขึ้นอน mm hmm. ที่อยากจะให้สักแต่ว่ารู้ไปต่อจากเอาเวลาออกจากสมาธิก็คือ เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้สติคอยกํากับใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วมันก็จะสักแต่ว่ารู้ได้ถ้ามันไม่ไม่สักแต่ว่ารู้ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ต้องพยายามทําสมาธิให้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆก่อนค่ะคราวนี้พอสักแต่ว่ารู้บางทีเราเผลอไปไกลและบางทีเราก็ลงไปเล่นคลุกกับมันแล้วอันนี้ก็ถือว่ายังไงก็ปล่อยมันไปไม่ว่าเราจะรู้แค่มันเป็นตั้งแต่ต้นหรือว่ารู้ต้อง รู้ปลายไปแล้วคือเผลอไปนานแล้วอันนี้ก็ก็เพียงแต่กลับเข้ามาเข้ามาในสมาธิใหม่เท่านั้นเองมันจะไปถึงไหนก็ถ้าเรารู้ตัวเราก็กลับเข้ามาสมาธิแสดงว่าเราควบคุมมันไม่ได้ครับคําถามต่อไปจากคุณปลายฟ้าที่บ้านมีสามารถที่จะเดินจงกรมได้ประมาณยี่สิบเก้าพอได้ไหมครับ ได้แล้วแต่เรา <c oughs> สั้นยาวเราก็ต้องปรับไปตามความวาดล้อมสิ่งแวดล้อมคำถามต่อไปจากคุณหอพักแสงเดือน <c oughs> เวลาที่เราเห็นญาติเราเป็นผู้ป่วยติดเตียง <c oughs> เดินเหินไม่ได้เจ็บปวดตลอดเราควรแนะนำไม่ให้เขามีความทุกข์ได้อย่างไรครับ <c oughs> เราแนะนำตัวเราก่อนดีกว่า <c oughs> เราอย่าไปมีความทุกข์ก่อนดีกว่าถ้รายัง ถ้าเรายังแนะนําตัวเราเองไม่ได้เราไปแนะนําคนอื่นไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณวาสนาขอกราบเรียนถามครับศีลมีคุณมากหลังจากสมทานศีลเสร็จแล้วพระก็สอนว่าให้รักษาศีลท่านจะมีความสุขพอกซัพย์จะมั่นคงรักษาศีลทําให้พบความสุขสงบถึงพระนิพพานขอท่านชุนรักษาศีลของตนให้สะอาดทุกเมื่อเถิด กับผมเข้าใจตามนี้ถูกต้องประการใดครับปัจจุบันผมรักษาศีลแปดมีความสุขดีครับขอพระอาจารย์เมตตาชี้ทางสอนเพิ่มเติมเพื่อให้มีใจมุ่งมั่นมีกำลังในการรักษาศีลด้วยครับก็ถูกต้องแล้วละ่ะศีลเป็นเหตุที่ทาให้จิตใจเราไม่วุ่นวายแล้วเมื่อใจไม่วุ่นวายไปเวลาไปทำสมาธิจิตก็จะสงบง่าย เมื่อจิตสงบง่ายพอไปใช้ปัญญาก็จะเห็นตายลักเห็นนั้นเห็นอริยสัจสีก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ศีลอย่างเดียวพาไปไม่ได้ศีลส่งเราไปสู่สมาธิสมาธิส่งเราไปสู่ปัญญาปัญญาส่งเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นขั้นบันไดโออยากจะถามอีกไหมไม่มีโอเคเออฝึกสติก่อนขั้นแรกก็ฝึกสติให้ได้สมาธิ พอได้สมาธิแล้วก็ไปสู่ขั้นปัญญาต่อไปพอได้ปัญญาก็จะไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คําถามจากคุณเก๋จิตนี้ไม่ตายแล้วการไม่มีเรามันสัมพันธ์กันอย่างไรครับคือเราเป็นสมมติจิตเป็นจิตคิดขึ้นมาเองจิตเหมือนคนแต่งนิยายเวลาเราแต่งนิยายเราใจะจะแต่งงไงก็ได้ใช่ไหม แต่งนายกอนขอมีเรื่องมีราวกับนางนายนู่นนายนี่มันเป็นเรื่องปุงแต่งของจิตมันปุงแต่งว่าคนคิดผู้ผู้คิดนี้เป็นจิตเป็นตัวเราเป็นเป็นตัวเราคิดตัวรู้ก็บอกว่าเราเป็นเป็นผู้รู้ไปความจริงมันเป็นธรรมชาติที่มีความสามารถที่จะคิดที่จะรู้เท่านั้นเองความคิดก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งความรู้ก็เป็นความการรับรู้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นความสามารถของจิต แต่ จ, จิตหลงเองไปคิดไปแต่งนิยายขึ้นมาเองแล้วก็ไปปวดหัวกับนิยายที่ตนเองแต่งขึ้นมาบ่นได้ยังมีอีกสองคำถามครับคำถามแรกจะคุณพรึกษานอกจากบุญบาปที่เราสร้างเอาไว้แล้วกลุ่มพลังงานเจ้ากับมนายเวรสามารถทําให้เราฝันร้ายได้ไหมครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะไม่กล้าตอบก็มันจะฝันร้ายหรือไม่ฝันร้ายก็ มันก็เป็นวิบากกรรมของเรานะะนั้นถ้าเราทำสิ่งที่ดีมันก็จะฝันแต่เรื่องดีถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีเพราะมันเป็นความจำเราทาอะไรไว้มันจะจาไว้ในใจพอเวลานอนหลับความจำมันก็จะเป็นผู้ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณอุราพระโสดาบันประเภทโกรังโกละ ไปเกิดในภพเทวดาก็ยังสามารถบรรลุธรรมชั้นสกิทาคามีในภพนี้ได้ไหมครับได้พระ อ, อริยบุคคลนี่ท่านไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในจิตของท่านไม่ว่าจิตของท่านจะอยู่ในภพไหนภูมิไหนท่านก็จะต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจของท่านจนท่านมันหมดสิ้นไปได้คําถามต่อไปจากคุณธินกร พระพุทธเจ้าที่เข้าสู่นิพพานไปแล้วจะเข้าสู่แดนพุทธกเกษตรเป็นความจริงหรือไม่ครับมันเป็นชื่อที่เราสมมุติกันขึ้นมาของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นนิพพานบ้างเป็นแดนกเกษตรบ้างเป็นอะไรบ้างมันเป็นเพียงแต่สมมุติเป็นชื่อเราแต่เราพูดเปรียบเทียบให้คนฟังที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจว่าเป็นอย่างไรเท่านั้น แต่ความจริงก็เป็นจิตใจของเราที่ได้ทัพกพ้อสะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่มีกิเลสในใจอยู่แล้วไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วครับก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ